ตอนนี้เราก็ผ่านวิกฤตมาครั้งแล้วครั้งเล่าหลายต่อหลายครั้งในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาจะไม่รอดจะไม่รอดมาหลายครั้งแล้วเนาะมาถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าวิกฤตต่างๆเหมือนจะผ่านไปละสภาพต่างๆของร่างกายก็ดูจะฟื้นกลับมาเยอะพอสมควรนณะวันนี้เลยเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องราวที่ผ่านมาของความเจ็บไข้เลือด่วย ในระยะสองสมปีหลังเนี่ยก็การเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านจิตใจทำให้เราได้เข้าใจตัวเองแล็เข้าใจคนอื่นด้วยอันที่จริงผมพอได้ทราบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอืมแล้วก็คิดว่า เราคงอยู่ไดไ้ไม่ถึงปีใหม่ปีนี้หรอกคิดว่าเราคงอยู่ไม่ถึงปีใหม่แน่ๆมีพวารู้สึกว่าคงจะไม่นานอ่ะก่อนปีใหม่เนี้เราคงจะต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนมีความมั่นใจแบบนั้นเลยนะอืมแต่ว่าเราสามารถที่จะผ่านวิกฤตันมาได้ผ่านปีใหม่มาได้ เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังมีบุญอยู่ยังไม่บทบุญซะทีเดียวแต่เระเอนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นบุญธรรมดาแล้วอันนี้เป็นบุญจากธรรมะที่ได้ช่วยเหลือเราอีกประมาณห้าวันก็ครบหเราจะมีความภูมิใจมากถ้ายุเราถึงหกสิบเออพราะวมันเป็นจังหวะของช่วงระยะเวลาชีวิต ที่เข้าสู่จากวัยผู้ใหญ่ไปสูว่วัยชราเราจะได้เป็นภูมิใจที่ได้อยู่ถึงวัยวที่เป็นวัยชราวัยชราอย่างภาคภูมิใจเลยนะอมีสภาพพิการแล้วไปอยู่ในสภาพที่ถึงแก่ด้วยเราภูมิใจมากอีกห้าวันเราก็นอนนึกก็ดีเนาะเราอยู่มันถึงหกสิบปีได้นี่มันก็น่าภูมิใจซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยใช่ไหมว่าชีวิตนี้จะได้อยู่ถึงแก่ น, นี่มันเกิดจากพลังธรรมริงๆ แ, แรกที่ดูแลอาจารย์เนี่ยอก็คิดว่าอาจารย์คงอยู่ได้นี่นาหรอกเห็นอาจารย์บอกว่าอยู่แเยกินห้าปีโอ้นี่ก็ผ่านมาเกือบสิบ้าปีแล้วนะคะอต่เรื่องอันนี้เราก็ไม่ใช่เป็นว่าตัวเราอย่างเดียวการที่เรามีชีวิตยืนยาวได้ถึงปัจจุบันเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวเราคนเดียวเราเราก็มีมีหมอดีนั่อคประกอบสำนัญเลยมีหมอดีมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มียาที่ดีพอสมควรกับโรคของเราหมอดียาดีแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพอจะ อำนวยความสวยกับเราได้แล้วก็ อ, อย่างหนึ่งก็คือมีผู้ดูแลผู้ดูแลก็ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญมากผู้ดูแลก็ดีนะมีทั้งคนอาสาสมัครมาช่วยดูแลดูเขาดูแลผมด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดีกับผมทุกๆคนเลยจึ่งๆแล้วเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบหมอดียาดี อุปกรณ์ดีแล้วก็ผู้ดูดแลดี mm. ก็ช่วยทําให้เรามียุดหยืนยาวมาได้ถึงปัจจุบนันนี้อย่างไรเสีก็ตามอุปกรณ์สี่อย่างมันยังไม่เพียงพอถ้ากับเราต้องมีใจที่ดีด้วยใจที่ดีเนี่ยมันจะต้องทําเอาเองฝึกเอาเองใครจะทําให้ใจเราดีไม่ได้นอกจากใจของเราจะต้องดีของเราเอง อาศัยพลังทำนะฮะมีพลังทำช่วยหล่อเลี้ยงซึ่งเราเนี้ยมีครบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในร่างกายเราจะมีส่วนที่มันที่ป่วยมันก็มีไอ้ที่ไม่ป่วยก็มีไอ้ที่เป็นมะเร็ง ม, มันก็มีไอ้ส่วนที่ไม่เป็นมันก็มีอย่าน้อยเรื่องของรูปใครเจ็กบก็ยกให้ทางร่างกายไป แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันไม่ได้เจ็บคข้ตามร่างกายไปด้วยหรอกมันต้องแยกกันทําหน้าที่อาจารย์พูดเหมือนกับว่าวันเนี้ยเลิกป่วยแล้วซะอย่างนั้นแหละอืมก็มันก็มันจะว่าเลิกป่วยไม่ได้หรอกมันก็ต้องใช้คําที่หลวงพ่เอเขียนบอกว่าสนุกป่วยนในฐานะของเป็นหนึ่งในทีมพูดดูแลเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราผ่านเรื่องหนักๆมา เยอะละแล้วก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยมีแต่เรื่องเบาๆแล้วไม่ใช่เรื่องหนักละในการที่จะดูแลอาจารย์จากนี้ไปนะคะเหมือนกับว่าไหายละเหมือนกับว่าเป็นคนพิการเหมือนเดิมเป็นคนพิการไม่ได้ป่วยนะบางทีเราใจเราดีแล้วเนี่ยโรคไปแค่เจ็บมันก็ไม่รุนแรงบางทีมันก็นิ่งมันอยู่แล้วก็สุขภาพร่างกายมันเริ่มฟื้นตัวมันเอง มะเร็งก็ยังทำงานตามที่มันอยู่อาจจะทำไม่ค่อยถนัดนะแล้วก็อาศัยสสวนที่ช่วยเหลือเราได้เรื่องขอจิตใจเรื่อง้องอาหารล้วก็ทำไปแต่เรื่องขอ ง, อาารรองโรคภยัยไข้เจ็บราให้หมอหมอก็เอาชนะไม่ได้อืมจนกว่าจะให้มะเร็งมันถอยไปเอง <laughs> ตอนนี้เนี่ยผลเลือดก็ดีขึ้นทุกครั้งแล้วก็การให้เซลลของคุณหมอโอรานก็ใกล้ขึ้นสุดแล้วครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ละหลังจากเดือนนี้ไปก็ถือว่ากระบวนการรักษาที่เราสุบเนื่องกันมายาวนานเนี่ยเรียกว่าถึงเป้าหมายส่วนร่างกายจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปก็ต้องขอบคุณอาจารย์มาก ที่ทนอยู่มาทนถึงวันนี้พราว่าหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเนี้ยทำใจมาหลายรอบเลยว่าจะไปแล้วเหรอบางคนก็เวอร์ปอยทีเราหายไปไว้อนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนห่าแลวเอแรงใจอธิษฐานจากในตาวเธอค่ะที่ทำให้อาจารย์ผ่านกานต่งๆมาด้วยอาจจะเป็นแรงสนับสนุนตรงนี้ด้วยคือตัวอาจารย์เองก็ใจดีด้วยแล้วก็ผู้คนมากมายที่รู้จัก หรือว่าได้ประโยชน์จากอาจารย์เนี่ยก็ส่งแรงใจให้อาจารย์แข็งแรงหายวันหายคืนแล้วก็ไม่แต่เนี่ยตอนที่คุณกิ๊กอยู่ที่พม่าคุณกิ๊กก็บอกว่าไปไหว้พระที่พม่าขอพรให้อาจารย์ด้วยให้อาจารย์หายไวๆอะไรอย่างเงี้ยหลยคนไปต่างประเทศไปจีนไปบางประเทศไปศรีลังกาไปอะไรก็มีแต่ส่งแรงจิตไปที่ฐานให้อาจารย์ อาจจะมีผลบ้างในส่วนนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของอาจารย์เองซึ่งมไ ม, ม่ไม่ปวดไม่สัมเติมอาการของร่างกายที่เป็นอยู่ก็ลเลยช่วยให้ผ่านด่านทั้งหลายมาจนถึงวันนี้ได้ขอบคุณมากๆค่ะไอคนปรารถนาดีเนะี่ย <c oughs> เขาก็จะช่วยทีฐานเราเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ที่ไหนหมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ก็จะมาให้มันช่วยเราบางคนบอกว่า <c oughs> น่าจะ <c oughs> จะ หายไปไวแล้วก็ขอให้มีทุกขเวทนานน้อยบางคนก็บอกว่าขอให้เดินได้ดูสักห อ, อเยอะไปนี่เราก็เออนี่เป็นสิ่งที่ย่าดทีทงก็ปรารถนาดีเนี่ยสองคนนี่ไปกับเชียงใหม่ก็ไปพระธาตุราชสุเทพนะมาช่วยๆกันก็ต้องฝากสองท่านที่มาจากเชียงใหม่ฝาก ความระลึกถึงแล้วก็คำขอบคุณไปให้กหับคณะ จ, จัดงานทั้งทุกท่านเลยนะคะที่ได้ร่วมกันจัดงานเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาว่าสิ่งที่ทุกท่านได้ทําไว้เนี่ยเ อ, อมีผลสำฤทธิ์เป็นจริงละอก็ <c oughs> ตอนแรกเราว่าเราจะไม่รอดถึงมกราเนี่ยนะ่งง า, น า, า, ากลัวเพราะงานนี่เราบ้างน้ำไม่รับผ่านมกราเพราะวันนั้นก็ได้ยินว่ามียอที่ทําไปกันมากมายวพอสมควรทีเดียวและการที่ผลก็ตกหนัก แล้วบางคนได้ยินว่าตีตัวจากกรุงเทพเลยนะคะก็ไปร่วมงานโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเป็นคนพื้นที่เองเท่านั้นที่ไปร่วมงานคิดว่าเราผ่านมาถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยแรงใจของยิที่ทำ ม, มากมายที่เป็นกำลังใจช่วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือใจของอาจารย์ที่รักษากายตัวเองเอาไว้ให้รอดปลอดภัยมาได้จนถึงวันนี้